ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัารของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเสีย่ยวข้างเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนเป็นเจ้าอำนาจบงการมีภายนิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าทาาทั้นวั น, นใด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 เราจะตรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ขีดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจออแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นท่ามหน้าของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลําบากใ้บ้างในการฝืนกิเลส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 เพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ําได้อย่างไรนั่นก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากอย่างไรก็ยิ่งทําลายจิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยาบยังได้เลยะเพราะสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทําลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนไม่พร้อมมีสติขึ้นมายากยั้ง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 เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อโกลทุกเหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลาดับอยู่หรือนี่แทนทนี้สติจิตที่ได้สติมันขอยับยัง้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้กิตทราจากสิ่งนั้นออกมาะระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับราะเหตุไร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 ในการฝืนในการบังคับจิตไม่คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและวคุณเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้ทุกมีที่ตรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทัางหลาย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 นายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั่นๆไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้ก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผือของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าใั้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งๆ ท, ที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตําหนิตีฉินยินทาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น ผิดเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพ่อ็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกรปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนททางไปเจอสิ่งสกรปรกเรายังหลีกให้ห่างกาัน ไม่กล้าแม้จะฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยพราทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปิะไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกแล้วเราทำไมเรชอบไปคุกขี่ชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งจุด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 จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจใเสื่อมต่างไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งานต่างๆมาทุกข์ุกข์เจ้ของก็สนักได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนํามาใช้เมื่ อ, อไรก็เกิดประโยชน์เมือนนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ําทําลายเสียโดยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั้นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี้เราก็บน่นเี่เพราะอะไรตึงบน่นเพราะไม่อยากทุกแล้วไม่อยากทุกไปคิดทําไมในะจิมที่ไม่ถึงที่เป็นทุก์แจะฝืนคิด ท, ทำไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเพราะเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์ มีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือรักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนาเนินไม่ว่าปิตรภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภายแต่ตรงนี้ส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเขงา้าใจต่างคนต่างละเวน้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตรงนี้ส่วนรวมแล้วพยายามคิดทําในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความจเจริญรุ่งเรือง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 แยกเอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความท้าทุนอ้าวนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายใจิตใจแล้วจะหาความเดืดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวนี้แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไป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 กรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัดทั้งหลาให้มีความประณีตเรียบซาำต่างกันนี่ไม่นอกเหนือปัญญกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผิดกรรมขึ้นมาโดยลําดับด้วยกันแม้าจะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่กรรมคืออะไรแต่ว่าการกระทํำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมากโนกรรมทําด้วยกายประพฤติ ด, ด้วยกายก็เรียกว่า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 แล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยการทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมาชาติแห่งการกระทําซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ฉันสอนไปแล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้าง ต้องเป็นกรรมวันยังคทำและเป็นผลดีชั่ววันยังคทำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมแล้วรร ว, รรวิบากหันกังทิ้งเมื่อคนกลัวเรื่องจุลสี่จุลห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้นอยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุทาขันนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่ให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให้ ให้รู้สึก ต, ตัวตัวนี้ให้มีสติพินิจไมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังพิษผิดขึ้นมาความผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเส้นตรงนี้ถ้าเลือกเส้นตรงนี้ทําตามความเลือกเส้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนียร์ศาสนา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 ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจริงจริงมันเฟอร์คนดีมีมากเท่าไรก็ไม่ไม่มีเฟอร์อความดีมีมากเท่าไรไม่เฟอร์ไม่มีเฟอร์อดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่หนามันคงพลนายใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยถึงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคาว่าเฟอร์ดกันกับสิ่งต่าง มีการเฟอร้อได้เช่นเงินเฟอ้อคนเฟอ้อเราก็เห็นไหมเราเคยยินดงเงินเฟอ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบือม ด, ดับดับที่มนุษย์เฟอ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กาลังเฟอ้อจะหาละครราคาไม่ได้แล้วอันมากต่อมาใครจะก็อเจ้าจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกลายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลกมากเพราะจีดีตันหามันจเจริญขึ้นเดิมดับสิ่งที่มันจเจริญขึ้นเดิมดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกลายกองเวือ น, เ, นเต็มอยู่ทุกแห่งทุกผนซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้จเดีตันหาหน้าข่ามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นเสแล้ว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 โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าขั้นตัวตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปตำหนิใครที่นี่คนมนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอ้อใช่เองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะจอเป็นตำหนิมนุษย์เฟอ้อตัวเ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 พราะวิชาท่านเคยแก้อย่างนี้เราอะไรมาแก้เอาความวิเกี่ยนมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณพนันปีแล้ในปีแทนที่จะได้ออก เ, อเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอนี่เรือนจำในสฐานที่นี่หมายถึงวัฏจากคือความมุเวีองเปลี่ยนแปลงของโรกเกิดตายก็ได้แก่เราเราจะ อ, าอะไรมาแก้เทาความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายาม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 ยอทั่งชนะก็โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกัราชเจ ม, มกกัอตานนะังสเวสั่งงามันชุดตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประสฐสุดในโลกนั่นตังเสกชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประสบเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกียวเนื่องกันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วย สติปัญญาศรัทธาควาเพียเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีผลผลเดียวเท่านั้นตายตายตเฉพาะผลเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่ให้ตายอย่างนั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดที่หัวจับจองปา่าท่าเทไรอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าชานี้มันควรจะเบื่อก็จะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์ มีแต่นักจองปัาชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปรชาชญที่ไหนก็เอาตัวของเราเนี่เองเป็นปัาชามันมีด้วยกันทุกคนอืมเราทำไมจะม า, าขยันจองนะจองปรชาชญ์มันเดียวหรือกองทุกข์จนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เสร็จไม่หลาตรงนี้จะเสร็จหลาที่ตรงไหนอะไรทำมาให้ทุกข์ให้พ่ายใจเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์และระหว่างทางทุกข์กในธานุในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่งตงตงางๆมันเต็มอยู่ในธาตในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ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 นี่เราพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็มีความสุขความสบายดาเนินตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสําหรับอาชีวะภายในก็เอาเลี้ย ง, งจิงตบํารุงจิตใจต้นด้วยศีลด้วยธรรมจาเอายาพิษเข้ามาแผกเขาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบ ก, กวนจิตใจเขาโรยจิตใจให้เดือดร้อนนัก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตไปถึงความ ชอบทำโดยสมบุรแล้วก็ผ่านไปได้นี่หาละการจะยังทำก็เห็นว่าสมควรเก็ยวเวลาเพราะยุติเพิยงท่งนี้ <c oughs>